ร้ายแรงและก็รุนแรงยิ่งกว่าโรคระบาดออกเนี่ยนะโรคระบาดนี้ยังคุมไม่ยากแต่ว่าส่อเสียดนี่คุมยากเนี่ยนะแล้วก็ลุกลามใหญ่โตพลานมซะหมดนะนะในข้อแปดสิบสามครั้งนั้นแลพราหมณุนีทะและวัสการามหาอมั์ในของแคว้นมคตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นชื่นชมกับพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวถ้อยคำน่าชื่นชมควรระลึกถึงกันแล้วก็นั่งอยู่ณด้านหนึ่ง พรามสุนีทะและวัสการะมหาอามากของแควนมคตผู้นั่งอยู่ณด้านหนึ่งแลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าขอพระโคโดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรรับพัตตาหารสำหรับวันนี้เถิดแล่ก็เช้าก็ไปนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันพระเจ้าค่าน่นะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับโดยดุสสัญภาพ พรามสุนีทาและวัสการะมหาอาหมาตย์ของแคว้นมคตครั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับแล้วจึงเข้าไปยังเรือนรับรองของตนแล้วก็สั่งให้ตกแต่งของควรเคี้ยวของควรบริโภคอย่างประณีตเอาไว้ในเรือนรับรองของตนแล้วให้กราบทูลการเวลาแดดพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญได้เวลาแล้วพัฒตาหารเสร็จแล้ว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 พึงเชิญท่านพรหมจรีผู้ประพฤติพรหมจร์ทั้งหลายผู้มีศีลผู้สังวรเนี่ยนะมีสังวรทั้งห้าให้บริโภคในสถานที่ประเทศนั้นเนี่ยนะหมายคือว่าบัณฑิตที่มีปัญญานะเนีขาไปอาศัยอยู่ที่ไหนเขาก็เชิญท่านผู้มีศีลมาถวายปัจจัยนะที่นั้นถามว่าทำไมพอทำบุญเช่นนั้นเสร็จแล้วก็อุทิศ ส, ส่วนบุญอุทิศทักษิณา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 พันเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นที่มนุษย์บูชาแล้วก็บูชาตอบเมื่อมนุษย์ทั้งหลายนับถือแล้วเทวดาเหล่านั้นก็นับถือตอบถ้าเรายำเกรงเทวดาเทวดาก็ยำเกรงเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นบัณฑิตเข้าไปเทวดาทั้งหลายก็จะอนุเคราะห์ด้วยใจกรุณาบุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นเขาจะสงสารคือเทวดาทั้งหลายเนี่ยความสามารถพิเศษอันหนึ่งของเขาคือเขาโดยมากเขารู้อนาคต รู้ต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรภายในสามวันห้าวันเจ็ดวันภายในเดือนนี้ปีนี้เหตุการณ์ใหญ่ๆต่อตอไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นทีนี้เขาก็รู้ว่าเออคนเนี้ต่อไปจะต้องเดือดร้อนจะต้องลําบากเป็นต้นเขาก็กรุณามุ่งจะปลดเปลื้องให้บุคคลนั้นพ้นจากทุกข์เหมือนอะไรเหมือนมารดาอนุเคราะห์บุตรของตนนะก็เหมือนอย่างว่าแม่ทั้งหลายผู้ที่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 ความเจริญอ่ะนะชีวิตใช้แล้วก็มีแต่ความสุขก็ได้ว่าทำอะไรก็ไม่ผิดอ่ะนะเหมือนเทวดามาคอยบอกเหมือนเทวดามาคอยเตือนเขาจะทำในสิ่งที่ไม่มีคาว่าผิดและพลาดเพราะอะไรเพราะเทวดารักษาแต่ถ้าคนที่เทวดาไม่รักษานะโอ้ยคิดอะไรก็ผิดนะผิดตั้งแต่คิดงนั้นนะเจ๊งใครอะขาดทุนตั้งแต่เริ่มคิดเรื่องนั้นแล้วอนนะนะ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 คือทุกคนก็อยู่ด้วยความทุกข์ความยากความลําบากอยู่ด้วยความหมงุดหงิดอยู่ด้วยความเครียดอยู่ด้วยความวิตกกังวลขาดความเมตตาต่อกันและกันเป็นต้นอันนั้นก็เพราะอะไรเพราะเทวดาเข้าไม่ดูแลเข้าไม่ปกปักรักษาก็เหมือนอย่างว่าพวกคินแบบถ้าระดับธรรมดาก็คือลูกน้องที่เจ้านายไม่รักนะจะเป็นยังไงใช่ก็เดือดร้อนเลย ว, ว่างั้นเถอะคนงานที่นายไม่รักหรือว่าคนที่อยู่ภ า, ายใต้บังคับบัญชาที่ผู้ผู้บังคับบัญชาไม่ชอบเนี่ย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 โดยรวมๆไม่อยากก้าวไกลเรื่องของใครไม่อยากยุ่งเรื่องของใครแต่ถ้าหากว่าเอามีความสัมพันธ์การเกี่ยวข้องกันมีเมตตาต่อการใจของเขาก็น้อมไปเพื่อที่จะเกื้อกูลแก่กันและกันเนี่ยนะถึงว่าเขาไม่อยากยุ่งแต่ด้วยใจกรุณาเขาก็มุ่งปลดเรื่องที่จะช่วยเราให้พ้นจากทุกพ้นจากภัยเนี่ยนะนั้นคนเราใดที่เทวดารักษาก็จะประสบแต่ความสุขไปเรื่อยในในข้อ ข้อ85นนะข้อ85หน้า259ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงอนุโมทนาพรามสุนีธะและวัสการะมหาอามาทของแคว้นมคธด้วยพระคถ า, าเหล่านี้แลพระองค์ก็เสด็จกลับก็สมัยนั้นแลพรามสุนีธะและวัสการะมหาอามารทของแคว้นมคธ ต, ตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตามเสด็จไปโดยเบื้องพระปริสดางนะนะก็คือเขาเนี่ยติดตามพระพุทธเจ้าไปข้างหลังข้างหลังไป เขามีแผนในใจคิดว่าวันนี้นะพระสมณะโคดมจากเสด็จออกทางประตูใดประตูนั้นจะมีชื่อว่าโคตมาทวานประตูพระโคดมเหมืนกนะัประตูโคดมมนะเพราะพระพุทธเจ้าออกประตูนี้ถ้าพระพุทธเจ้าจะข้ามแม่น้ําคงคาโดยท่าใดท่านั้นจะชื่อว่าโคตมาติถะท่าข้ามท่าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่ยอมให้มีท่าอันนี้เด็ดขาดเพราะติฐะเนี่ยบางทีก็หมายถึงเดระถี หมายถึงลทัทธิเนี่ยนะเพราะมันจะเป็นสับที่มาที่สับแสลงที่ไม่มีประโยชน์ต่ อ, ต, อต่อไปในอนาคตพ ร, ะ, พระองค์ไม่ยอมให้มีแต่เขาคิดวางแผนไว้แล้วครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จออกโดยประตูใดประตูนั้นก็ชื่อว่าโคตมะทวานแต่ท่าาข้ามของพระพุทธเจ้าไม่มีก็เลยไม่ชื่อว่าโคตมะติดถยนะ ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดําเนินไปยังแม่น้ําคงคาโดยสมัยนั้นแลแม่น้ําคงคาเนี่ยนะมีน้ําเต็มฝั่งเสมอขอบฝั่งเ ร, รียกว่ากาเนี่ยืนอยู่บนบกก็ดื่มน้ําได้ว่างั้นเถิดยืนบนบกเขาอน้ํามันเปริมฝั่งเลยมนุษย์ทั้งหลายผู้ปรารถนาจะข้ามจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งปกติต้องใช้เรือบางพวกก็ใช้แพบางพวกก็ผูกทุ่นที่จะข้ามจากฝั่งหนึ่งสู่ฝั่งหนึ่ง คือการที่จะข้ามฟากจากปาตลีบุตรไปอีกฝั่งหนึ่งข้ามไปสู่แคว้นไหนข้ามจากปาตลีบุตรเพื่อข้ามไปฝั่งวัชชีอ่านะฝั่งวัชชีหรือฝั่งแคว้นวัชชีหรือฝั่งเขตเ อ, อะไรนะเมืองภัยาลีอ่านะสังเกต ด, ดูตอนที่เราวันที่เรามาที่ที่ไหน ที่ไผ่าลีใช่ไหมที่เข้าไปไปในป่ามหาวันแล้วเขเข้าไปฉันเพลนที่ไหนที่ที่ในเขตเขตเมืองของเมืองไผ่าลีเนี่ยนะเสร็จแล้วก็พอออกมาเนี่ยออกจากเมืองไผ่าลีมาเพื่อจะข้ามเมืองราชครือเราต้องนั่งนั่งรถเนี่ยข้ามสะพานข้ามแม่น้ํำคงคาเนี่ยนะก็ต้องมีข้ามแม่น้ํำคงคามาวันเมืองปาตลีบุตรเนี่ยอยู่ใกล้ๆฝั่งแม่น้ําคงคาเสร็จแล้ว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 ประชาชนทั้งหลายต้องผูกทุ่นกันอยู่แต่ผู้มีปัญญาทั้งหลายข้ามไปได้ไม่ต้องผูกทุ่นผู้มีปัญญาเนี่ยอย่างพระพุทธเจา้ามีปัญญามากหายพระองค์จากฝั่งนี้ไปประทับยืนที่ฝั่งโน้นนี้ในที่หนึ่งในที่สองพระองค์นั้นข้ามจากวัตฏะสู่วิวัฏฏะด้วยอริยมรรคเนี่ยนะข้ามจากสังคตะสู่อสังคตะด้วยอริย ม, ยนะมยรรคมันะไม่ต้องมีพุ่นมีอะไรอย่างอื่นทั้งนั้นเนี่ข้ามด้วยปัญญา อธิบายเพิ่มเติมว่าอันวะอันวังเนี่ยนะอันนบเนี่ยห่วงอันนบก็เป็นน้ำทั้งลึกทั้งกว้างนะอย่างต่ำที่สุดเนี่ยนะกว้างประมาณสิบหกิโลเมตรเรียกว่าอันนบผู้ข้ามสะคือตันหาทั้งหลายที่ทั้งลึกทั้งกว้างอ่ะต้องข้ามด้วยสะพานคืออริยมร์ะนะถ้าจะข้ามจาก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 ก็มีปัญญามีบุญมีฤทธิ์เนี่ยแต่ถ้าเป็นทั่วๆไปก็ต้องมีทุ่นมีเรือมีสะพานมีแพแต่สำหรับพระพุทธเจ้าไม่ต้อง